อาจจะมีผู้สงสัยต่อไปว่าถ้าไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นแล้วก็จะไม่มีใครประกอบการงานอะไรอะไรหรือไม่สามารถรักษาทรัพย์สมบัติสิ่งของที่ตนมีอยู่ได้ข้อนี้ถ้ามีความเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าเราควรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องซะก่อนแล้วจึงทำสิ่งต่างๆดีกว่าที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยความมักมากอยากใหญ่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 แต่มีปัญญาความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเป็นกําลังส่งร่างกายให้ออกไปแสวงหาอาหารหาได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรในกรณีเจ็บไข้ก็มีปัญญารู้ว่าควรจะแก้ไขอย่างไรท่านก็แก้ไขเท่าที่ปัญญามีถ้าเป็นมากเกินไปก็จาต้องตายเป็นธรรมดาเพราะว่าท่านมีความขวนขวายน้อย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 ความอยากเอาอยากเป็นนี้เป็นความโง่เขลาอย่างยิ่งชนิดหนึ่งเป็นความหลงผิดไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรจนกระทั่งไปคว้าเอากงจักมาเป็นดอกบัวเพราะฉะนั้นขอให้เราทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยสติปัญญาที่รู้ตัวอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นหรือน่าหลงไหลยึด ถ, ถือดังกล่าวแล้ว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 คนแต่ละคนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนให้บริสุทธิ์ผุดพองก็เพราะมันอยากเอาอะไรอยากเป็นอะไรเกินขอบเขตเพราะอำนาจของกิเลสตันหาของตนเองเส้เรื่อยจึงไม่สามารถดำรงตนให้อยู่ในสภาพที่เป็นความดีความงามความถูกต้องและความยุติธรรมมูลเหตุแห่งความหายนะของทุกคนมันอยู่ที่การตกเป็นทาสของตันหา เพราะฉะนั้นการรู้จักสิ่งทั้งปวงให้ถูกต้องตามที่มันเป็นจริงหรือยะถาภูตยานัทสนะจึงเป็นใจความสําคัญที่สุดของพระพุทธศาสนานี้เป็นทางให้เราเอาตัวรอดกันได้โดยมากไม่ว่าในเรื่องผลประโยชน์ทางโลกโลกซึ่งหวังผลเป็นสับสมบัติชื่อเสียงหรือว่าเพื่อหวังประโยชน์ในโลกหน้าเช่นสวรรค์หรือเรื่องที่พ้นจากโลกนี้ไป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 ไม่ใช่เพื่อมาให้เป็นนายอยู่เหนือใจเราเมื่อเรามีความรู้แจ้งอย่างนี้สิ่งต่างๆก็จะลงไปอยู่เป็นบาวเป็นธาตเราและเราก็อยู่เหนือมันถ้าเรารู้สึกไปในทางมีตันหาอุปาทานจะมีอะไรเป็นอะไรด้วยจิตใจที่ยึดถือเหนียวแน่นแล้วมันจะขึ้นมาอยู่เหนือศีรษะเราแล้วเราก็จะกลับลงไปเป็นบาวเป็นธาตอยู่ใต้มัน มันกลับกันอยู่อย่างนี้จึงเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังให้เป็นไปในลักษณะที่เรายังคงเป็นอิสระอยู่เหนือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมิฉะนั้นแล้วเราเองจะต้องตกอยู่ในสถานะที่น่าสงสารที่สุดเราควรสมเพศตัวของเราเองกันไว้บ้างเมื่อเห็นจริงว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นอย่างนี้แล้วความเบื่อหน่าย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 คือเบื่อน่ายเกลียดความเป็นทาสขึ้นมาแล้วนายต่อความที่ตนหลงเข้าไปยึดเอาสิ่งต่างๆด้วยความเข้าใจว่าน่าเอาน่าเป็นนั่นเองครั้งพอมีความเบื่อน่ายแล้วโดยอัตโนมัติตามธรรมชาตินั่นเองย่อมจะมีความจางหรือคลายออกที่เรียกว่าวิราคะเหมือนกับเชือกที่ผูกมัดไว้แน่น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 เพราะว่าเมื่อมีการคลายออกจางออกดังนี้แล้วไม่ต้องสงสัยเลยสิ่งที่เรียกว่าความหลุดออกจากทุกข์หรือวิมุตจะต้องมีโดยแน่นอนเมื่อหลุดออกมาได้จากความเป็นทาตไม่ต้องเป็นทาตของโลกอีกต่อไปก็จะมีอาการบริสุทธิ์หรือวิสุทธิในที่นี้หมายความว่าไม่เศร้าหมองก่อนนี้เศร้าหมองทุกทาง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 ก็จะเกิดความสงบสันติอันแท้จริงสืบไปเป็นความสงบเย็นจากความวุ่นวายจากการรบกวนหรือจากการต่อสู้ดิ้นรนทรมานต่างๆเมื่อปราศจากการเบียดเบียนวุ่นวายเหล่านี้แล้วท่านสรุปเรียกความเป็นอย่างนี้ว่าสันติคือความสงบระงับดับเย็นของสิ่งทั้งปวงมันแทบจะเรียกได้ว่าถึงขั้นสูงสุด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 นิพพานยังมีความหมายที่มุ่งใช้ต่างๆกันอีกหลายอย่างเช่นหมายถึงการดับของความทุกข์ก็มีหมายถึงการดับของกิเลสอย่างหมดสิ้นก็มีหมายถึงธรรมะหรือเครื่องมือหรือเขตแดนหรือสภาพอันใดอันหนึ่งที่ทุกข์ทั้งปวงกิเลสทั้งปวงสังขารทั้งปวงดับไปหมดสิ้นก็มีแม้ว่าจะมีคาว่านิพพาน ใช้กันอยู่ในลัท ธ, ธิศาสนาหลายๆ ล, ลัท ธ, ธิก็ตามแต่ความหมายไม่เหมือนกันเลยเช่นลัท ธ, ธิหนึ่งก็ถือเอาความสงบเย็นเพราะการที่ได้ฌานได้สมาบัติว่าเป็นนิพพานบางลัท ธ, ธิถือเอาความมัวเมาอยู่ในกามารมกันอย่างเพียรพร้อมว่าเป็นนิพพานพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธนิพพานในความหมายเช่นนี้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 เพียงระวังให้การเป็นอยู่ประจําวันของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องจนเกิดความอิ่มใจในทางธรรมะมีความสงบระ ง, งับแห่งจิตมีความรู้ตามที่เป็นจริงต่อสิ่งทั้งหลายเกิดความเบื่อหน่ายคลายออกความหลุดออกมีความบริสุทธิ์ไม่เศร้าหมองความสงบเย็นถึงภาวะที่ปราศจากความทุกข์อย่างชิมลองน้อยๆเรื่อยๆไปตามธรรมชาติทุกวัน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 ผู้หวังจะได้ผลอันนี้จะต้องพยายามทำตนให้เป็นคนสะอาดมีอะไรเป็นที่พอใจตัวจนยกมือไหว้ตัวเองได้มีปีติปราโมทตามทางธรรมะอยู่เสมอไม่ว่าในเวลาปฏิบัติหน้าที่หรือเวลาพักผ่อนปีติปราโมทนั่นเองจะทำให้เกิดความแจ่มใสสดชื่นมีใจสงบระงับ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 ผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แล้วนับว่าเป็นของขวัญที่ธรรมชาติมีไว้ให้สำหรับคนทุกคนโดยแท้จริงบทกลอนปริญญาจากสวนโมกปริญญาตายก่อนตายใครได้รับเป็นอันนับว่าจบสิ้น การศึกษาเป็นโลกุดหลุดพ้นเหนือโลกาหยุดเวียนว่ายสิ้นสังสาระวัดวนปริญญาแสนสงวนจากสวนโมกคนเขาว่าแยกโยกไม่เห็นหนนไม่เห็นดีที่ตรงไหนใครสัปรปดนรับเอามาด่าปนกันทั้งเมือง นี่แหละหนาปริญญาตายก่อนตายคนทั้งหลายมองดูไม่รู้เรื่องเขาอยากอยู่ให้เด่นดังมลังมะเลืองเขาเลยเคืองว่าเราชวนให้ด่วนตาย